ก็เหมือนอินเดียเขาเป็นอะไรเป็นค cool ิดก็คือความเป็นอมตะนิรันดร์ก็จิตเดิมแท้ไม่เกิดไม่ดับของพุทธก็คือสิ่งเดียวกันทุกทุกอย่างมันก็คล้ายๆตัวเดียวกันแต่เพียงสมมติปัญญาชื่อที่เรียกมันไม่เหมือนันแค่นั้นเองก็ผ่านจากการแบ่งแยกถ้าไม่แบ่งไม่แบ่งแยกอะไรมันจะอยู่เนี่ยคือเดิมแท้อยู่แล้ว พอเราไปแบ่งแยกก็เลยเกิดเกิดหลายหลายรูปแบบหลายศาสนาหลาวนิจัยคือเดิมแท้ก็ไม่มีภาษาแต่ก็ยังมีเหมือนว่าการใช้งานในปัจจุบันมันมียังคิดพูดทำยังยังปรุงแต่งยังห mm hmm. ัวเลาะทำอะไรได้กินอาหารอร่อยเพราะมันก็อยู่ในความว่างน่งแหละทุกอย่าง ถอนึกออกใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าเราหนีจากสิ่งหนึ่งไปอีกสิ่งหนึ่งไปปฏิเสธสิ่งหนึ่งแล้วเพื่อไปชอบอีกสิ่งหนึ่งมันมีทุกอย่างเราเห็นใช่ไม่ใช่ถูกผิดคือเราไร้อุปทานเขาเปแนแสงมันจะอยู่กับทุกภาวะทุกมวลเป็นความมวลเบาที่อยู่กับทุกภาวะได้เป็นธรรมชาติแท้แล้วเราไม่ไปปัน่นทงไม่ปฏิเสธไม่ไม่เกิดการสร้างความหมายแบ่งแยกนี่นก็คือเป็นเดียวกัน แกไปเรียบเรียงให้ประเสริฐใช่่แล้วก็บอกว่ามีอยู่หลายวันด้วยนะแถวไปเยี่ยมแม่บ้างมีอยู่หลายวันหนึ่งวันนี่ก็ ยากกหนงายหนเพราะว่าทันทำผ่านไปเลยอ่ะคือเข้าสู่เดิมแท้ไปเลย <ปะ S 1> จึงไม่มียากไม่มีง่ายไม่มีดีไม่มีโ่วไม่มีผ่านไปถึงตรงนั้นเลยก็กเหมือนข้อที่สามของท่านเวรานะหมอพ่อที่ท่านเวรานสอนลูกศิษย์อาหารข้อที่สางลูกศิษย์ไม่ไงก็ต้องเริ่มพิจิตเดิมแท้ตัวเองให้เริเ่ม เคยไปอนข่าวจ้ไม่ไมเป็นเคยได้เคยอ่านข่าวๆแต่ว่าไม่ไม่เคยจริงจังนะครับเคยอ่านแค่แค่กุศโลบายที่ว่าเาเคยเก็ตตามเฟซตามอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไม่เคยอ่านเป็นเล่มเลยครับอาจารย์ี่นั่นที่น่นไปหลงสอนบทเรีที่ทีเขาให้หลังค่ะพิยานศิลปการะแต่ม่ไดแต่ทาง้นมันเ็มีทายเหมือนผู้าร ไม่ได้มีการพูดผลเหมือนอาจารย์อาจารย์พูดเนี่ยคือผ ล, ผลที่เราไม่ต้องไปจัดการกับอะไรเป็นธรรมชาติเราเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวก็ธรรมชาติเราก็จะรู้สิดด่นี้ไดเพราะจิตเดิมแท้แล้วมันทําให้กลัวๆไปเราก็เข้าไปหนึ่งเดียวก็ธรรมชาติ ก็เริ่มเรียนรู้แล้วเริมเรียนรู้จากอาวันนี้แล้วใ่ใช่ะอาจารยเรงะคะารสังเกตจริงสังเกตจริงแล้วก็ไปเรื่อยๆมันก็จะเห็นกุ๊บไอ้ที่ฝึกมาเนี่ยมีแต่เราแบบทำเองมแล้วก็วนอยู่กับจิตเราไอ้สิ่งถูกรู้สิ่งหยุดเห็นสุดท้ายไอ้มันก็ไม่ใช่2 อ, อันนีเ้เราหมดแต่วนนี้มาหลายหลาย ทุกทุกอย่างกับการปฏิบัติกับการพี่ว่าเอาตัวเรากำหนดหมดเลยพอเราออกจากกำหนดปุ๊บเอ๊ะนตัวว่างที่ที่เขาหากันเรียนรู้กันเพื่อเพื่อสิ่งนี้เอ๊ะมันไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเลยเพอะมันเห็นเห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งมีกันทุกคนตอนนี้เราหมดจะไปเอาตัวเราไปสร้างสิ่งอื่นปุ๊บเราก็ลืมสิ่งนี้ไปหมดจะไปยกมือครับเลยไม่เห็นในตัวว่างไม่เห็นตัวว่าง จริงๆมันมีอยู่กับตัวเองตลอดทุกคนมีปมีเห็นง่ายด้วยครับแม่งมาดีแล้วก็เหมือนข้ามช่วยอะไรอย่ายเงนะคร <c oughs> แล้วเขาไม่ได้ทำเอาเพราะถ้าทำเอาวขาบังทันทีแล้วก็อยู่ภาวะเนี่ยเห็นปุ๊กบก็ือตุผนี้ไปแหละแล้วก็ต้องเห็นอยู่เหมือนว่าเป็น ภาวะนี้ไปปุ๊บล้วก็จะรู้ละไอสิ่แปลกปอมอาจารย์ก็ยังไม่ได้นนนไม่เห็นเน้นนู่นยยาเยออยเยเซนเซก็มือนนเป็นเซนก็เน้นดูสิค้าเซลก็เน้นการลงทุนอย่างพุทธาถ้าเป็นอันนี้ไม่ได้หรอยอะไรดีหรอทคล้ายๆกัน ไม่ใช่ถ้าเรเรีนตัวตการกระทำที่อยู่ในพื้นฐคือว่าตการกระทที่อยู่นพื้นฐานัว่าตัการที่อยูื้นฐานไม่เหมือนกันเหคะแต่แล้วก็เจว่าเหมือนกันนการที่เหื้าของว่าไม่เหมือนไอ้ตรนมันไม่เป็นไอ้ตรงนเนนธรมชาติ หรือยึชาแต่วผลออกมาเหมือนกันมันมันกลไปติดการกระทาการกระทาของโต้วางมันเลยไม่ไ ม, ไม่ว่างจะทบนบนว่างไม่ว่างจะทำแต่ไม่เอาครับใช่มันมันจะทาอยู่ไงเหมือนโยมจะมันคิดมันก็เลยลืมสิ่งนั้นไปกนะ็คือโบแต่สร้างกุศโลบายสร้างแยบขายสร้าง นี่ก่ายสร้างนุ่นสรงนี่ขึ้นมาโดยที่แท้มันก็ไม่มีอะไรแบบเดิมมันก็ว่างอยู่แล้วสร้างเลยลืมตัวเลยลืมจิตจำแผลมันอย่างครัแล้วพี่หลวงพ่อบอกว่าอะไรนะที่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องจบลงตรงที่ที่พูดทํารือว่าถามหรืว่าโอ้นั้นนั่นที่เราว่าเราที่พูดคำก็คือยังคิดในความว่างได้อะค่ะ คือคิดว่าว่างมันจะไม่ว่างเพอะเราคิดอยู่คิดในความว่างใช่ไหมคะอาจารย์มันไม่ได้มันมันจะไม่ว่างเพราะเราคิดอยู่อ๋อของอาจารย์อย่างนี้ไม่ใช่ของอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้คือว่างไปเลยเพราะว่ามันว่างอยู่แล้วถ้าเฉยแล้วอาจารย์ไม่คิดไม่ได้คืมันก็คิดได้มันจะมีความว่างอยู่เพราะเราไม่ใช่ที่คิดและไม่คิดไม่ใช่ที่ใช่และไม่ใช่ไม่ใช่ที่รู้และไม่รู้ไม่ใช่ที่ถูกและผิด ทั้งสองย่างเราก็ไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่ในสองอันแล้วอาจารย์คิดในความว่างได้ไหมคะก็อยู่ในความว่างตลอดอยู่ในความว่างแลขณะที <Gym. S 1> ่อยู่ในควาว่าก็คิดได้คิดทำการทำทได้หมดเพราะว่าไม่ใช่เหมือนต้นไม้ที่ว่ามันคิดไม่ได้ทางานไม่ได้นกนิหงพ่เหมือนกันไมคะก็คิดพูดทํในฐานของความว่าง กรทีาทาขาทนาดว่าเขาคิดได้ <c oughs> มันไม่อินเข้าไปมันไม่ยึดถือมันเลยไม่มีคุณสมบัติแต่ที่เจอไม่ใชดือหาที่การคิดงานที่จะอะไรแต่ว่า เ, เ, เพราะมันการจบเป็นขณะขณะขณะแต่ถ้าเราเอาไปจ่อให้เกิดลูกลางขึ้นอีกบุกมันก็จะมี ถ้าเราใส่ค่าใส่ความหมายและจริงจังในสิ่งนั้นมันยิ่งมีตัวตนยิ่งมีมวลหนักขึ้นแต่ถ้าเราทำไปโดยไ ม, ไม่อะไรกับอะไรมันก็จะเหมือนทาด้วยความว่างคือไม่ได้ไม่ได้ใส่ความตั้งใจลงไปความยึดติดก็ไม่มีเช่นพอเราทำงานเนี่ยปุ๊บ ก, ก็ทำเสร็จก็จบแต่ถ้าบางคนทำแล้วไม่จบก็คือไปนอนคิดต่อ มันก็เลยวนวุ่นวายไปถ้าจบุ๊บก็จบไปแล้วไม่เอาของเจ้ามาคิดมันก็จะวนทำงานอยู่โดยความว่างไปมีเหมือนไม่เอ า, า <laughs> อย่างให้หลวงพอพูดเสร็จ <laughs> น้องคุณเนี่ยน้องคุณอกจารย์จะเหมวไปแล้วนั่นแ่ะค่ะทางค้าอเจอันนี้หลวงพ่อฉันหมดอันเดียวนอกนากอันอื่นเฉย อนมา้ีหรอพ่อดูมาด้วยชิ้นเดียวเออมาด้วชิ้นเดียวใช่ไหมปยำไหมกแค่สังแค่ถูแ่สั่งถูกได้นเี่อชอบจียชอบิินเดียวไม่ชอบระมันใกล้กสานะชอบมัน ซูขัดกระลก็มไม่ได้ยังไม่บอกพี่บุญเลยซูขัดกระลินนอยยิงเลยงเลยมีราคาขึ้นมาอีกเยอะอ๋อมีราคาขึ้นมาเยอะดูอัพราคาเลยนะ่งยยิ่เยไปเลยิ่งไปเลยยิงไ่งไป เล่นงาวายเฉว่ะ